สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักทหารคนชอบเล่าจะว่าไปในหมวดของเรื่องลี้ลับผมก็นําเรื่องราวของคนอื่นแบบที่เขาเล่าว่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันซะเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะขอยิบยกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่ผมไปประสบพบเจอมามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันบ้างนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับในความทรงจําตอนผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นมหนึ่งตอนนั้น บ้านพักที่ผมเช่าอยู่กับแม่ของผมอยู่แถวหลังศูนย์เยาวชนคลองจันทร์แถวแฮปปี้แลนด์เก่าแต่ปัจจุบันนี้ศูนย์เยาวชนนี้ไม่มีแล้วนะครับด้วยสมัยนั้นก็เริ่มจะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นท่านอรุบาลจะเริ่มมีกุ๊กมีกิ๊กมีแฟนมีแฟนฉันแฟนเธอตอนนั้นผมชอบเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อต้อมต้อมจะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อเมย์ ทั้งคู่มาเล่นที่ศูนย์เยาวชนของจันทรอยู่บ่อยๆผมเองก็เรียนดนตรีในศูนย์เยาวชนของจันทรเล่นบาสเตะบอลกับเพื่อนในสมัยนั้นกลุ่มเราก็มีเจ้าต้นเจ้าสอนเจ้าเก่งเจ้าเอกและก็ตัวผมและด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มพวกเราเป็นเด็กที่ออกจะไวัยไฟนิดๆมีแฟนแต่ก็เป็นแค่แฟนนะครับใส่ซื้อขีกขู่เด็กๆและบ้านของแฟนผมที่ว่าชื่อต้อมเนี่ยมีบ้านพักอยู่หมู่บ้านหนึ่ง แถวๆสะพานข้ามทะเลสาบเลยสำนักงานเขตที่ดินถนนสุขาพิบาลหนึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนนวมินหมู่บ้านนั้นจะอยู่ถัดมาทางจะไปตลาดอินทารักษ์อยู่ฝั่งขวามือชื่อหมู่บ้านไม่บอกนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียหายมีวันหนึ่งที่ผมต้องไปส่งต้อมกลับบ้านประมาณ 4- หทุ่มในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นจะเป็นซอยเข้าไปช่วง300เมตรแรกจะมีตึกแถว อยู่ขวามือด้านซ้ายก็จะมีบ้านคนอยู่ติดกันเป็นชุมชนเข้าไปลึกอีกนิดก็จะเป็นสะพานข้ามคลองหรือหนองน้ำเล็กๆ เ, เท่าที่จำได้มีป้อมยามอยู่บนสะพานนั้นเลยจากป้อมยามลงไปก็จะเป็นถนนยาวเข้าไปประมาณ1 0อยเมตรด้านซ้ายมือจะไม่มีสิ่งก่อสร้างและจะมีต้นไม้ใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นต้นไทรใหญ่มากซึ่งสมัยนั้นผมก็ตัวเล็กเหมือนกันประมาณมหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าใหญ่ใต้ต้นไม้ก็จะมีสารพั ง, พง พระเสียนหักบ้างรูปปั้นนางลำกุมารหรือว่าอะไรพังๆที่ว่าเป็นของเครื่องรางของขังที่คนบูชาอามากองทิ้งกันไว้เลยต้นไม้ไปประมาณ10เมตรก็จะมีรั้วกำแพงของบ้านคนมีฟุตบาทเลียดทางดูงซ้ายมือไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกในหมู่บ้านอีกแยกหนึ่งและบ้านของต้อมอ่ะจะต้องเดินเข้าไปถึงแยกนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายจนไปเจออีกแยกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาไปสุดซอย นั่นคือบ้านของต้อมสุภาพบุรุษยอย่างผมในวัยนั้นด้วยไวัยส่ซื้อซึ่งไม่ค่อยจะซื้อมากก็มีเหตุที่จะต้องไปส่งต้อมที่บ้านนั้นประมาณ 4- ี่ห้าทุ่มโดยคืนนั้นที่ว่าจะไปส่งต้อมผมได้บอกกับแม่แล้วว่าจะไปนอนที่บ้านเจ้าต้นเจ้าต้นก็เลยเอออห่หมกรับปากกับแม่ผมด้วยว่าผมมได้ไปนอนที่บ้านมันจริงๆซึ่งก็จริงครับเพราะว่าเมื่อผมไปส่งต้อมเสร็จผมก็จะกลับไปนอนที่บ้านเจ้าต้น ซึ่งเจะต้นจะรอเปิดประตูรับผมอยู่คืนนั้นในต้นมันไม่ไปด้วยมันบอกว่าจะได้จู่จีดูดีเดินกันไปเท่เดียวผมจึงไปส่งต้อมแค่คนเดียวเมื่อเดินไปส่งต้อมเรื่อยๆผ่านป้อมยามไปผ่านต้นไทรที่ว่ามีของปะหลักหักพังผมกะต้อมเลือกที่จะเดินฝั่งตรงข้ามกับต้นไทรลืมบอกไปครับฝั่งที่ตรงข้ามกับต้นไทรจคือด้านขวามือพอเข้าซอยไปปุ๊บนะี่ยจะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง เหมือนเป็นแปลนที่เขาเตรียมจะปลูกบ้านไว้แต่ยังไม่มีบ้านทุ่งหญ้าสูงๆ ก, กว้างๆเรื่อยๆและเลียดไปเรื่อยๆข้างทางเสาไฟก็จะห่างกันอยู่ประมาณพอสมควรผมก็เดินไปส่งต้อมเดินชิดขวามือไปผ่านเลยต้นไทรไปปุ๊บพอเดินไปถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายจนไปเจอแยกอีกทีนึงก็เลี้ยวขวาจนไปถึงบ้านต้อมต้อมก็จะส่งเป็นสัญญาณโดยหินก้อนเล็กๆเนี่ยเพี้ยงเข้าไปในบ้านให้มันดังปักแป๊กนิดนึง และพี่สาวของต้อมที่ชื่อเมย์ก็จะแอบมาเปิดประตูให้ต้อมเข้าไปในบ้านนั่นแหละครับเป็นการแอบเข้าบ้านโดยสมบูรณ์ถาวรป่านนี้ต้อมคงมีรูปมีผัวไปแล้วมัง้งระหว่างที่ผมเล่าอยู่เนี่ยแต่ก็ช่างเถอะครับกลับเข้าเรื่องกันเมื่อส่งต้อมเสร็จอาการสุภาพบุรุษของผมตอนนั้นมันก็เกือบจะหายไปหมดสิ้นเลยผมจำความรู้สึกของตัวเองได้ว่าตอนนั้นเดินกลับมาในใจมันคิดตลอดเลยว่าเดินออกไปคนเดียวเนี่ยจะเจออะไรไม่ว่า แต่ระหว่างที่คิดผมก็ต้องเดินออกมาเพื่อให้ถึงปากซอยกับถนนใหญ่ให้ได้เพื่อที่จะกลับไปนอนที่บ้านของเจ้าต้นพอเดินเลาะออกมาจากซอยบ้านต้อมก็เลี้ยวซ้ายมาเจออีกแยกหนึ่งก็เลี้ยวขวาซึ่งเป็นเมนหลักที่จะต้องเดินตรงออกไปต้องผ่านตรง ต, รงตรง้นไทรที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ครั้งนี้ผมมองด้านซ้ายมือผเป็นทุ่งหญ้าแล้วด้านขวาเป็นกำแพงของหมู่บ้านผมเลือกที่จะเดินด้านขวาเพราะว่าด้านซ้ายเมื่อเดินคนเดียวมันดูวังเวงมาก ผมได้เดินชิดกำแพงดูด้านขวาเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เดินไปใจก็คิดอะไรไปเรื่อยเปยืยแต่สิ่งที่คิดอย่างเดียวคือว่าถ้าถึงต้นไทรแล้วมันจะมีอะไรไม่วะถ้าถึงต้นไทรแล้วจะมีอะไรไม่วะแบบเด็กๆะนะพอเดินมาเรื่อยๆใกล้ๆประมาณอีก200เมตรจะถึงต้นไทรผมก็เห็นมีผู้ชายคนนึงเดินสวนกับผมมาแต่ลักษณะเดินเหมือนเมาๆหน่อยๆเสไปเสามาเสาไปเสามาเอามือซ้ายของตัวเองเท้ากำแพงไว้ ปุ๊บปุ๊เดินมาผมก็ดีใจเลยเฮ้ยมีเพื่อนเดินมาแล้วไม่ตงัวอะไรแล้วนี่ผมก็รีบเดินจาำอ้าวเลยเพื่อที่จะไปถึงพี่คนนั้นให้เร็วที่สุดเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินพอใกล้จะถึงพี่เขาประมาณร้อเมตรพี่คนนั้นเขาก็เหมือนกับเข้าบ้านไปเลยด้านซ้ายมือเขาปุ๊บเลี้ยวเข้าไปผมก็เลยคิดในใจว่ารีบอีกหน่อยดีกว่าก็กึ่งเดินกับกึ่งวิ่งรีบเดินเข้าไปรีบเดินเข้าไปรีบเดินไปเพราะว่าอยากจะให้ไปถึงตรงหน้าบ้านเขา ซึ่งมันใกล้กับต้นไทรมากเหมือนกันนะกะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแถวๆนั้นก็จะร้องให้เขาออกมาช่วยได้ทันเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็คงจะรีบออกมาดูเราได้ทันเหมือนกันพอเดินไปปรากฏว่าจนสุดกำแพงมันไม่มีทางให้พี่คนนั้นเข้าบ้านเลยมันเป็นกำแพงล้นๆตันๆและพี่คนนั้นหายไปไหนสมองผมคิดตอนนั้นด้วยสัญชาตญาณผมผมรีบข้ามฝั่งไปด้านที่ตรงข้ามกับต้นไทรทันทีแล้วก็รีบวิ่ง อยากเร็วที่สุดไปถึงตรงป้อมยามที่อยู่ตรงสะพานที่ผมว่าตอนแรกเมื่อไปถึงตรงป้อมยามผมเห็นยามนั่งอยู่นั่งจดอะไรของแกอยู่แกก็หันมามองผมวิ่งมาเลือกลักผมก็ทําตัวเฉยๆทําเป็นว่าเหมือนไม่ได้วิ่งแค่เดินเร็วแล้วผมก็ผ่านหน้าแกไปและเมื่อผมเดินไปถึงบ้านเจ้าต้นหลังศูนย์เยาวชนคลองจันทร์ผมก็เข้าไปในบ้านของเจ้าต้นแล้วก็ไปเล่าให้เจ้าต้นฟังไอ้เจ้าต้นก็บอกว่าเฮ้ยโมว่า ตอแทกตอแทกอย่ามาโม้ยกูฟังหน่อยเลยผมก็เลยบอกว่าเรื่องจริงไว้เรื่องจริงที่กูเจอมาเนี่เรื่องจริงถ้ามึงไม่เชื่อนะพรุ่งนี้หรือวันหน้าถ้าหากไอต้อมมาอีกเดี๋ยวไปส่งพร้อมกูเลยแล้วกันเอาไหมไอ้ต้อก็บอกว่าได้เลยได้เลยกูอยากจะรู้นะว่าผีมันยังไงพออีกวันหนึ่งเหมือนฟ้าเป็นใจต้อมก็มาอีกมาเล่นที่ศูนย์เยาวชนอีกซึ่งมันตรงกับวันอาทิตย์ ช่วงนั้นที่ผมได้ไปส่งต้อมหรือบอกไปครับว่าเป็นเป็นวันเสาร์และววันอาทิตย์นั้นต้อมก็มาเล่นที่ศูนย์เยาวชนอีกก็เล่นกันขี้ขูหนุงหนิงไปเรื่อยๆจนถึงเย็นก็นั่งกันเอ้อระเหยรักในวัยเรียนหรือรักขี้ขูอะไรเงี้ยตัดบทมาเลยดีกว่าคืนนั้นผมก็ต้องไปส่งต้อมอีกทีแต่คราวนี้มีผลภพไปด้วยก็มีเจ้าต้นเจ้าเก่งเจ้าสอนเจ้าเอกผมรวมทั้งหมดมีห้าคนเดินไปเป็นขบวนเลย ไปส่งประมาณเวลาเดิมๆแต่จะดึกกว่าเดิมนิดนึงประมาณ5้าทุ่มหน่อยๆเดินข้าหมู่บ้านไปก็ผ่านป้อมยามเดินลงไปซ้ายมือจะมีเป็นต้นไทรแล้วพอมีเป็นต้นไทรผมก็ชี้เพื่อนดูว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละต้นไทรตรงนี้แหละหน่ากลัวและตรงกำแพงเนี่ยมึงเห็นไหมกูเห็นผู้ชายคนเมื่อคืนน่ะเขาเข้าไปตรงนี้พวกไอ้ต้นกับพวกเจ้าสอนและเจ้าเอกก็บอกว่าเออน่ะมึงอย่ามาม้ใหกูฟังกันหน่อยเลย พวกเราก็เดินกันไปเรื่อยๆไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลยแต่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่มันเงียบมากแล้วพอเดินไปส่งถึงบ้านต้อมเสร็จใช้แผนเดิมเรียกพี่สาวต้อมชื่อเมย์ออกมารับเสร็จถึงคราวที่พวกเราเดินกลับกันแล้วคืนนั้นผมอุ่นใจมากมีเพื่อนไปเยอะแล้วก็คิดในใจว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราเจอเป็นโชคของเราแค่คนเดียวแต่ถ้าคนเยอะนะ่ะยังไงผีก็ไม่หลอกแน่ๆเมื่อเดินมาถึงงงตรงกแพที่จะเดินตรงงงออออกกปทปาซยขหมูบ้าน ผมก็เดินเลาะตรงกำแพงแต่ไอ้ต้นบอกว่าเฮ้ย hey, เดินอีกฝั่งหนึงน่งดีกว่าว่ะตรงทุ่งเนี่ยรู้สึกมันโล่งดีพวกเราก็ข้ามฝั่งมาเดินตรงฝั่งซ้ายมือที่จอดไปจากหมู่บ้านก็คือฝั่งของทุ่งหญ้าโล่ๆเดินไปก็คุยกันไปไปถึงตรงจุดกำแพงจะชี้ดูว่านี่ไงนี่ไงตรงเนะี้แหละโมว่าไอ้นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้ามีก็ผัไม่เห็นละสิมันเหมือนกับว่าพวกมันก็ย่ะเย้ยผมไปในตัวแต่ผมก็ไม่รู้สึกโกรธเลยนะแต่มีความสึกชื่นใจว่า ไม่มีก็ดีแล้วมาเดินไปถึงตรงตร้นไทรระหว่างที่เดินถึงตรงตร้นไทรกำลังคุยเะไนเพลินๆอ ย, อยู่มันเหมือนโลกหยุดหมุนพวกผมทุกคนหยุดนิ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหันไปมองตรง ต, รงตร้นไทรปรากฏเห็นคนแก่คนหนึ่งตัว ผ, มผอมๆสูงๆนุ่งผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าและบนบ่าของคนแก่คนนั้นก็มีเด็กทาลกคนหนึ่ง อายุประมาณขวบหรือไม่ขวบนี่แหละนั่งอยู่บนบ่ามือคนแก่ยกสูงมาจับมือของเด็กที่อยู่บนหัวของตัวเองไว้แล้วก็เดินกระยอกกระยักก้มหน้าเหมือนกระกล่อมเด็กเล่นเดินวนอยู่ตรงใต้ต้นไทรที่มืดคืนไ ม, ม่น่ากลัวตรงนั้นเดินวนไปวนมาวนไปวนมาคิดดูนะครับในขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วและพวกผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกันอึ้ง ยืนนิ่งมองคนแก่คนนั้นอย่างเดียวเลยไม่มีเสียงพูดเสียงคุยใดๆทั้งสิ้นเหมือนโลกมันหยุดหมุนคนแก่คนนั้นก็เดินวนไปวนมาวนไปวนมาและแกก็หยุดแล้วเมื่อแกหยุดปุ๊บเหมือนแกเงยหน้ามามองพวกผมเด็กคนนั้นก็หันมามองเหมือนกันสิ่งที่น่ากลัวกว่าการได้เห็นแกก็คือเสียงเสียงหนึ่งที่ได้ยินมันเป็นเสียงของคนแก่เย็นๆถามว่าเคยเห็นผีไหม เคยเห็นผีไหมแกถามได้ประมาณสองคำเหมือนโลกกลับมาเหมือนเดิมอีกทีนึงทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดปุ๊บไอ้ต้นบิ้นดําหน้าเลยปึ้งพวกเราก็วิ่งร้องแหกปากกระเจิงเงินออกมาเลยว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกไปหลอ ก, ลอกวิ่งกันไปจนถึงป้อมยามพี่ยามบอกมาดูเฮ้ย hey, hey, hey, hey, hey, hey, พวกมึงเป็นไรอะเป็นไรกันเป็นไรกันพวกเราก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกพีหลอกพยามก็บอกว่าแกก็พูดจับยามนะไอ้เด็กอื ทำบ้าอะไรกันต้นดึกๆเนี่ยจะเดินเข้าไปทําไมตัวกูเองยังไม่อยากจะผ่านตรงนั้นเลยได้ยินแกพูดแค่นั้นพวกผมก็วิ่งออกจากหมู่บ้านกันไปและไปถึงศูนย์เยาวชนก็แยกย้ายกันเข้าบ้านคืนนั้นผมก็นอนบ้านในต้นเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องผีอะไรอีกเลยนะพอขึ้นบ้านปุ๊บไอ้ต้นก็รีบเสียบเกมมาริโอ้เลยสมัยนั้นมันมีเกม Nintendo Super Mario อยู่ผมก็เล่นกับมันไปด้วยไม่ได้พูดถึงอะไรกันเลย ได้แต่มองหน้ากันสักพักพวกเราก็นอนกันและนั่นแหละครับก็เป็นเหตุการณ์ในความทรงจําของผมเมื่อครั้งเป็นใบเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็หวังว่าคงจะฟังเป็นความบันเทิงกันได้นะครับแต่ตัวผมถามว่าตอนที่เล่ารู้สึกยังไงผมยังรู้สึกขนลุกอยู่เลยครับกับคําที่ว่าเคยเห็นผีไหมอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ